พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่21อชื่ออังคุตระนิกายจตุการนิบาตเป็นสุดตันตะปิฎกพระไตรปิฎกเล่มนี้ตลอดเล่มว่าด้วยธรรมะจานวนสีพิจารณาดูจากหมวดใหญ่ที่แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆแล้วพอประมาณได้ว่ามีพระสูตรราวส0 0้สูตรกล่าวคือในเล่มนี้แบ่งออกเป็นหมวดห้าสิบ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 3. ผู้มีตนตั้งอยู่ได้ในวงเล็บลอยน้ำได้แก่พระอนาคามี 4. ผู้ข้ามฝั่งได้ยืนอยู่บนบกได้แก่พระอรหันต์ทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือ 1. ผู้สดับน้อยทั้งไม่เข้าถึงด้วยการสดับได้แก่ผู้สดับน้อย ทั้งไม่ปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรม 2. ผู้สดับน้อยแต่เข้าถึงด้วยการสดับได้แก่ผู้สดับน้อยแต่ปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรม 3. ผู้สดับมากแต่ไม่เข้าถึงด้วยการสดับได้แก่ผู้สดับมากแต่ไม่ปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรมส ผู้สดับมากทั้งเข้าถึงด้วยการสดับได้แก่ผู้สดับมากทั้งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทรงแสดงคนสลาดที่ได้รับการแนะนำเป็นผู้กล้าหารสดับฟังมากทรงธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าธรรมหมู่ให้งามสี่ประเภทคือภิกษุภิกษุณี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 เธอก็จะชื่อว่ามีความเพียรไม่เกียจคร้านทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายให้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์ให้สำรวมด้วยดีในพระปาติโมกพระปาติโมกคือศีลอันเป็นใหญ่เป็นประธานของภิกษุที่สวดทุกกึ่งเดือนหรือคือพระวินัยทั้งหมดนั่นเองให้สมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจร คือการรู้จักไปในที่ควรให้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแล้วแสดงอิริยาบทสี่ที่มีนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นถ้าไม่ละนิวรณก็ชื่อว่าเกียรติครานถ้าละก็ชื่อว่าไม่เกียดคร้านดังข้างต้นทรงแสดงการตั้งความเพียรชอบ หรือสมมับประทานและการตั้งความเอียนคือประทานอย่างละสี่ประการคือเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำความดีให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแต่ในภาคอธิบายของประทานทรงอธิบายว่าหนึ่ง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 แล้วส่งแสดงในทางตรงกันข้ามคือการไม่รู้อำนาจแก่ความลำเอียงสีทส่งแสดงถึงภิกษุผู้แจกอาหารหรือพันตุทเทสกัผู้ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เพราะตั้งอยู่ในความลำเอียงหรือไม่ตั้งอยู่ในความลำเอียงทั้งสี่นี้วักที่สาม อุรุเวลาวักว่าด้วยเหตุการณ์ในตำบลอุรุเวลาทรงแสดงว่าทรงพิจารณาแล้วไม่เห็นใครยิ่งกว่าพระองค์โดยกองศีลสมาธิปัญญาวิมุตตจึงทรงตกลงเคารพธรรมะที่ทรงตรัสรู้ท่านใดนั้นเท้าสหบดีพรมก็มากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าในอดีต อนาคตและพระองค์เองในปัจจุบันก็เคารพธรรมะทั้งสิน้นตรัสบอกภิกษุทั้งหลายตอบไปว่าส่งเคารพธรรมะแล้วเมื่อสงถึงความเป็นใหญ่ก็ส่งเคารพในสงด้วยสำหรับข้อนี้อัรธกถาแก่ว่าความเป็นใหญ่มีสี่อย่างคือเป็นใหญ่โดยรู้ราตรีนานคือเก่าแก่สอง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 ทรงแสดงบทธรรมะสี่ประการคือความไม่โลภความไม่พยาบาทความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบว่าเป็นของเก่าไม่มีใครรังเกียจทั้งสมการทรงแสดงธรรมแก่ปริพาชกที่มีชื่อเสียงหลายคนณฝันะ่งแม่น้ำสัปปินีถึงบทแห่งธรรมะสีดังกล่าวแล้วเป็นแต่มีคำอธิบายละเอียดมากขึ้น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 ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกายของตนเหมือนราชสีบัลลือสีหานาฏทรงแสดงความเลื่อมใสสี่ประการคือหนึ่งประตถาคตเป็นเลิศแห่งสัตว์ทั้งหลาย 2. อริยมรตมีมองค์8ปเป็นเลิศแห่งธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่ง 3. วิราคาธรรม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 วัสการพราม์กราบทูลแสดงความคิดเห็นเรื่องมหาบุรุษผู้มีปัญญามากกว่าได้แก่ผู้สระดับปังมากผู้รู้เนื้อความของพาษิตผู้มีสติทรงจาดีผู้ขยันในการงานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบุรุษผู้มีปัญญามากคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่คนเป็นอันมาก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 โทนพรามเห็นพระผู้มีพระภาคประทับนักโคนไม้ต้นหนึ่งหน้าเลื่อมใสจึงเข้าไปเป้าทูลถามว่าพระองค์เป็นเทพหรือคนทันหรือเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์ทีละข้อพระองค์ปฏิเสธทุกข้อและทรงอธิบายว่าถ้าอย่างละอาสวัชไม่ได้ก็จะเป็นตามที่ถามนั้นพระองค์ละอาสวะได้เด็ดขาดแล้วจึงเป็นพุทธะ เปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำโผล่พ้นน้ำไม่เปียกน้ำทรงแสดงว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่อย่างไม่ควรจะเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานคือหนึ่งมีศีลสสำรวมอินทรีย์มีตาหูเป็นต้น 3. รู้ประมาณในอาหารสี่ ประกอบความเพียนเป็นเครื่องตื่นหมายถึงไม่เห็นแกนอนทรงแสดงว่าภิกษุผู้ลกความยึดถือว่าเป็นจริงในเรื่องเฉพาะเรื่องเช่นไม่เห็นว่าโลกเที่ยงชื่อว่าเป็นผู้มีการสแสวงหาอันประเสริฐไม่บกร่องมีกายะสังขารอันสงบระงับได้ฌานที่สี ลมหายใจซึ่งมีกายสังขารเครื่องปรุงกายดับเป็นผู้หลีกเร้นแล้วคือละอิส ม, มาณนะความถือตัวได้ตรัสตอบอุเชยพรามผู้กล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ทรงสันเสริญยันโดยทรงชี้แจงว่าพระองค์ไม่ได้สันเสริญยันทุกชนิดแต่ก็ไม่ได้ติยันทุกชนิด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 หรือผู้บรรลุอรหัตตมักย่อมเข้าไปสู่ยานเช่นนั้นตรัสตอบอุทายิพรามในธรรมนองเดียวกับอุชยพรามเป็นแต่นิคมคาถาคือบทกวีสรุปข้อธรรมะท้ายสูตรต่างกันวรรคที่หโรหิตัสสวรว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร ตรัสแสดงการเจริญสมาธิหรือสมาธิภาวนาสี่อย่าง 1. การเจริญสมาธิที่เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้แก่เจริญฌานสี2การเจริญสมาธิที่เป็นไปเพื่อยาทัทสนะคือการเห็นด้วยยานได้แก่การใส่ใจในความกำหนดหมายแสงสว่างตั้งความกำหนดหมายว่าเป็นกลางวันคืออบรมจิต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 คือผู้หนักในความโกรธในการลบหลู่บุญกุลท่านในลาบในสักการะไม่หนักในสัตยธรรมส่วนฝ่ายดีอีกสี่ประเภทคือผู้หนักในสัต์ธรรมไม่หนักในสีข้อฝ่ายชั่วนั้นทรงแสดงอสัตยธรรมสี่คือความเป็นผู้หนักในความโกรธเป็นต้นดังกล่าวแล้วและทรงแสดงสัตยธรรมสี ในทางตรงกันข้ามโรฮิตตัเะเสพพบุตรกราบทูลถามว่าในที่ใดไม่มีผู้เกิดแก่ตายเคลื่อนหรือจุติเข้าถึงหรืออุบัติอาจหรือไม่ที่จะรู้ใจเห็นจะบรรลุที่สุดแห่งโลกนั้นด้วยการไปตรัสตอบว่าไม่อาจโรฮิตตัะเทพบุตร กราบทูลแสดงความอัศจรรย์ใจและเล่าความว่าในสมัยหนึ่งตนเคยเป็นฤาษีชื่อโรฮิตตัดสักมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้รวดเร็วขนาดเก้าเดียวข้ามมหาสมุทรตลอดเวลาร้อยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ถึงแก่กรรมเส้นในระหว่างสำหรับคำว่าที่สุดแห่งโลกตรงนี้อธิกถาแก้ว่าจักรวาลโลก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 สำหรับพระสูตรนี้ให้ข้อคิดที่สำคัญยิ่งหลายประการเช่นแสดงว่าแม้มีฤทธิ์มากเหาะไปได้ไวก็ไม่สามารถค้นหาที่สุดแห่งโล ก, กจักรวาลได้เทียบทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่ว่าแสงซึ่งเดินทางวินาทีละ 186,272 หม่ยไมล์แสงของดาวบางดวงต้องใช้เวลาเดินทางถึงห5 0หปีจึงมาถึงโลกเรา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 2. ในทุกขว่าสุข 3. ในสิ่งไม่ใช่ตนว่าตน 4. ในสิ่งไม่งามว่างามตรัสแสดงเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์สี่อย่างคือหนึ่งดื่มสุราเมรยัย 2. เศพเมตุนธรรมในวงเล็บธรรมะของคนคู่ส ยินดีรับทองเงินไม่เว้นจากการรับทองเงินสเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเปรียบเหมือนหมอกอีมะทุลีกวันหรืออสุรินทราหูซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งพระจันทร์พระอาทิตย์ฉะนั้น